คุผู้ฟังคาต้อนรับเข้าสู่รายการตลาดนัดชุมชนนะคะเราพบกันในช่วงเวลาแบบนี้นะคะในวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะคะทาง FM 89.5 วิทยุราชมงคลธัญบุรีนะคะวันนี้ดิฉันอาทิตยาปะกะทานังรับหน้าที่ในการดําเนินรายการและเราจะมาพูดคุยกับตัวแทนวิสาหกิจชุมชนซึ่งวันนี้นะคะเป็นประธานวิสาหกิจชุมชนกลุ่มแปรรูปผลไม้ตำบลท่าจายอําเภอเมืองจังหวัดนครนายกนะคะต้อนรับคุณกัญยลักษณ์ พันุ์อุดมอยู่ในสายกับเราแล้วค่ะสวัสดีค่ะคุณกัญย์ค่ะสวัสดีค่ะคุณกัญยลค่ะจากวิสาหกิจชุมชนกลุ่มแปรรูปผลไม้ตำบลท่าสายนะคะก่อนอื่นเลยย้ายคุณกัญย์แนะนําผู้ฟังกันก่อนว่าผลิตภัณฑ์ทั้งหมดในวิสาหกิจชุมชนของเรานั้นมีอะไรกันบ้างค่ะค่ะสวัสดีค่ะดิฉันกัญษ์พันธุ์อุดมนะคะผลิตภัณฑ์กลุ่มของเราก็จะแปรรูปจากเม็ดันค่ะเม็ดดัน มี น, ะะน้ำมะดันค่ะน้ำมะดันซ่าน้ำมะดันผสมน้ำผึ้งแยมมะดันน้ำจิ้นมะดันซีฟูด้ดแล้วก็มีมะดันแช่อิ่มอบแห้งค่ะผลิตภัณฑ์มะดันแช่อิ่มอบแห้งของเราก็จะได้รับรางวาัลโอท็อปสีดาวเมื่อปี2559ค่ะโอ้โอท็อปสีดาวนะคะปี59 นะคะค่ะค่ะทั้งหมดที่เราบอกนะคะพระเอกของเราก็จะเป็นมาดันเป็นหลักแหะนะคะซึ่งต้องถือว่าเป็นหนึ่งในผลไม้ที่ที่มีมากในจังหวัดนครนายกด้วยใช่ไหมคะใช่ค่ะค่ะแต่ว่าก่อนที่เราจะมาเริ่มในธุรกิจนี้ค่ะคุณกัญญลักษณ์ต้องเรียนสอบถามก่อนว่าแต่เดิมก่อนที่จะเป็นวิสาหกิจชุมชนเองเนี่ยทางคุณกัญญลักษณ์เอง เ, เรามีการทำอ่าทํางานหรือว่าทำในอาชีพไหนมาก่อนไหมคะอ๋อก็คือ ะจะทำงานอยู่ที่กรุงเทพมาค่ะอพอดีลูกเรียนจบได้มีหนะ้าที่ทำงานที่ดีเราก็เลยกลับมาอยู่ที่นครนายกมาดูแลพ่อแม่แก่ๆที่นครนายกอ ะ, ค, ะค่ะมาอยู่ประมาณสักปีนึงก็ว่างงานนะคะไม่รู้ว่าจะทำอะไรดีพอดีท่านประหลัดอิสดาโลหะกุลเป็นประหลัดอาบาตอตาบนท่าซายท่านก็เลยบอกว่า พอดีปีสองพันห้าร้อยห้าสิบเจ็ดยังไม่มีการยังไม่มีกลุ่มอาชีพที่จริงจงังท่านก็เลยบอกว่าพี่จูนน่าจะรวมกันตั้งกลุ่มดีไหมมาแปลรูปผลไม้ที่อยู่ในตําบลเราอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เป็นแนวคิดของท่านปลัดประหลัดด้วยแล้วก็พอดีเราก็ว่างงานด้วยช่วงนั้นค่ะอ่าเราก็เลยเอาละ่ะพอมาลองแปลรูปนะฮะอย่างแรกเลยในช่วงแรกที่เราแปลรูปการรวมกับกลุ่มเล็กๆน้อยๆเนีย่นยนะคะรูปแปลรูปผลไม้อะไรบ้างอ่ะคะ่ะ อเราจะแปลรูปผลผลิตจากมโยงชิต่ะคะเพราะว่าตำบลท่าทรายเราจะมีมโยงชิตเยอะมากเมื่อปีสองพันห้าร้อยห้าสิบเจ็ดสองพันห้าร้อยห้าสิบแปดคือผลผลิตเราจะพอผลผลิตออกเยอะใช่ไหมคะตอนนี้ฝนมามันก็จะเกิดผลแตกอะค่ะปรินิดนึงเราก็ดีกว่าเราจะทิ้งเพราะว่ามันจะขายไม่ได้ราคาเนาะเราก็เลยคิดกันว่า เออเอามาแปลรูปทำเป็นมะยงชิดลอยแก้วเป็นน้ำพันมะยงชิดเป็นสลับน้ำมะยงชิดตัวนี้เราก็คาดสั่นได้สามดาวค่ะตัวนี้เป็นสามดาวแต่ว่าตัวที่เป็นมาดันก็คือสี่ดาวใช่ไหมคะค่ะพอมาปีห้าห้าสิบเก้าอะค่ะพอปีนี้ต้นปีเพราะว่ามะยงชิดขอ ง, ของนครนายกนี่ก็จะออกประมาณต้นปีใช่ไหมค ะ, คะประมาณเดือน มีนาเมษาเสร็จแล้วเราก็ผลผลิตของมะ ย, ยงชิดเนี่ยจะน้อยลงลำพังผลสดหน้าสวนแล้วก็ขายได้โลละสามสี่ร้อยแล้วไม่จำเป็นต้องอมาแปร ล, ลูกเมื่อสมัยนั้นขายสามโลร้อยค่ะ คือต้องบอกว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยลูกสวยคั้ใหญ่ๆเนี่ยเมื่อปีห้าชิมันจะโลหะหกสิบหลายหลท่านบอกว่ามายองชิดเนี่ยถ้าเราจะเลือกนะร้านไหนที่แบบโอ้โหลูกใหญ่มันไข่ไก่นะโอ้โหคนจะซื้อเงนเยอะมากเลยนะคะแล้วราคามันสูงมากเลยก็เลยแปลกใจว่าเอ๊ะในช่วงเริ่มต้นตอนนั้นเองเนี่ยก็คือมายงชิดถูกอย่างที่คุณกัญญาลักษ์บอกสามโลร้อยเองสามโลร้อยเองใช่ค่ะอแล้วพอผลแตกเนี่ยพอมันปรีนิดนึงลูกค้าก็ไม่เอาแล้วอืมค่ะแต่มันก็ เสียหายเป็นตันๆเลยอ่ะค่ะพอหลุดไม่ใช่<อ>ไม่ใช่เยอะมากค่ะเราก็เลยเราก็เลยอเอามาแปรรูปอค่ ะ, คะทีนี้เนี่ยจะมายองจิดอย่างที่บอกก็คือพอมาในปีหลังๆถัดมาเนี่ยที่มายองจิดเนี่ยเริ่มไปที่ต้องการของตลาดแ ล, ะละ้วราคามันแพงขึ้นมากเราก็เลยมีการไปจับผลิตภัณฑ์ที่เป็นผลไม้อื่นๆนามาแปรรูปใช่ไหมคะใช่ค่ะเรามีอะไรบ้างคะ่ะนอกจากมะดันนะคะมีกล้วยค่ะกล้วยค่ะ มีกระทอมค่ะกระทอ <ทำ S 1> มน<ม>ะคะเป็นกล้วยแต่เราก็มาแปรรูปผสมกับมะดันก็คือทําเป็นซอสมะดันแล้วก็ทากับกล้วยอะค่ะอืมอันนี้คือรสชาติมันจะเป็นยังไงคะคุณท่านนึกไม่ออกก็จะออกเปรี้ยวก็คือจะหวานแล้วออกเปรี้ยวโดยเราจะไม่ได้ใช้น้ําตาลนะคะก็เอาความเปรี้ยวของมะดันทาบนคือกล้วยเวลาเราเอามาทําอบแห้งกล้วยอบ กล้วยแผ่นอบที่เขาทํากันแต่เราเอาเป็นแบบเป็นแผ่นนะคะไม่ได้ว่าแบบเป็นลูกๆอ ะ, ค, ะค่ะเอามาทับ ก, ก่อนเอาเอากล้วยสุกมาทับมารีดให้แบนเหมือนกล้วยทับมาแล้วก็ทาด้วยมาดันแล้วเอาไปอบในเอาไปตัดในโรงอบพลังงานแสงอาทิตย์ด้วยของเราเป็นวิสากิจชุมชนอ่าแล้วก็จุดเริ่มต้นพอเรารวมกลุ่มเสร็จแล้วก็ไปขอสนับสนุนโรงอบพลังงานแสงอาทิตจาก สำนัก ง, งานพลังงานจังหวัดคนครนายกาค่ะอ๋อนะคะในแต่ละสูตรที่เรามีการเรียกว่าแปรรูปไปหลากหลายเลยนะคะไปสู่ทางด้านของแยมบ้างละ่ะไปเรื่องของน้ำสลัดบ้างละ่ะซึ่งมันนอก<ะ>เหนือจากการที่แบบแค่แค่แช่อิ่มนะหรือว่าแก้กวนอะไรเงี้ยนะคะเรามีสูตร<ะ>หรือว่าเราคิดค้นเองหรือว่าเรามีหน่วยงานอะไรบ้างที่เข้ามาช่วยเหลือในตรงนี้นะคะจะมีหน่วยงานของอ เริ่มต้นก็จะมีคุณคุณจีราพรเป็นรอง ป, อประหลัดอบตท่าสายเนี่ยท่านจบงานข่าตามกรมาท่านก็มาช่วยสอนเราก่อนในเบื้องต้นพอพอกลุ่มเริ่มอยู่ได้มีการอบรมจดทะเบียนโอท็อปก็มีการไปอบรมตามหน่วยงานก็จะให้เราอบรมแล้วเราก็ด้วยความเข้มแข็งของกลุ่มเราเราก็จะได้รับคัดเลือกอให้พัฒนาผลิตภัณฑ์จาก อะมะดันแช่อิ่มปกติเขาจะทาอยู่ทั่วไปค่ะเป็นมะดันดองมะดันแช่อิ่มแล้วเราก็เอามาอบแห้งและคัดสันดาวด้วยด้วยตัวความตั้งใจที่เราคัดสันด้วยสี่ดาวเนี่ยค่ะก็เลยเป็นเป็นโอกาสที่เราได้ไปนำสินค้าขายที่เมืองทองธานีให้ให้คนได้รู้จักแต่ด้วยความที่เราเป็นมะดันเนี่ยแล้วลูกค้าส่วนใหญ่จะรู้จักแต่แตลิงปิงเนา ะ, ะสมัยนน ะ, นนะ ยังไม่มีใครรู้จักมาดันเท่าที่ควรแล้วเสร็จแล้วแล้วเอ้ยเราจะทําอะไรนะพอดีก็ตอนที่ลงอบพลังงานแสงอาทิตย์สันนิษฐานมามอบให้เนี่ยเราก็เอ้ยเรามีมาดันเยอะเราก็เลยทําน้ํามาดันเลี้ยง<อ>เลี้ยงเจ้าหน้าที่ก้าหน่วยงานที่ที่ลงพื้นที่เราพอเลี้ยงเสร็จเขาบอกเอ้ยอร่อยดีนะ่าจะทําขายได้เราก็เลยได้ได้มีแนวคิดตรงเนี้ย น, นําน้ํามาดันไปขายที่เมืองทองธานีออืเป็นยั ง, ยงไงคะขั้ขงแรกก็บอก เฮ้ยมาดันเนี่ยเอามาทำเป็นน้ำผลไม้ได้ดิเหรออืลูกค้าถามอย่างนี้แล้วก็ลองชิมพอชิมเอออร่อยดีเพราะตอนนั้นเราขายไม่แฝงอะ่ะคือ่ล่งต้นใหม่ๆแล้วก็แพคเกจจิ้งก็ยังไม่สวยงามก็เป็นขวดสี่เหลี่ยมธรรมดาเล็กๆร้อยห้าสิบร้อยเจ็ดสิบมมิลลิลิตรอย่างนี้ค่ะก็ขายขวดละสิบห้าบาทถูกมากลูกค้าก็ให้การตอบตอบรับดีมากค่ะ ซื้อกลับบ้านกันเยอะมากเลยแสดงว่าตอนแรกเนี่ย<ช>ต้องบอกว่าลูกค้าเนี่ยไม่ยอมไม่ไม่อยากต้องเรียกว่าไม่กล้าลองหรอกแต่ก็คือเราจะต้อ ง, องให้ชิมฟรีใช่ไหมคะใช้ให้ชิมฟรีก่อนเลยชิมเขาก็ชิมเสร็จแล้วก็เดินกลับมาซื้อกลับมาซื้อคะ่ะออเพราะว่ามันเป็นสินค้าใหม่ค่ะใหม่ในประเทศไทยก็ว่าได้ยังไม่เคยมีใครเอาน้ำมาเอามะดันมาทําเป็นน้ําผลไม้เมื่อปีสองพันห้าร้อยห้าสิบเก้าโอ้นะฮะ แต่ตอนนี้จาปี59จนมาถึงปีนี้อนะค่ะก็ผ่านมาปี 59, 59, 59, 59 60 61 62จนปีนี้เราก็พัฒนากลุ่มจนได้รับเป็นวิสาหกิจชุมชนดีเด่นของจังหวัดนครนายกอะค่ะโอ้นะะแสดงว่านนความพัินามามเรื่อยๆ พัฒนาทั้งตัวของผลิตภัณฑ์ด้วยตัวของแพ็กเกจจิ้งด้วยใช่ไหมคะในทุกครั้งที่เราพัฒนาเนี่ยเรามีต้องเรียกว่าเรามีแรงผักดนันหรือว่าเรามีการสำรวจอะไรไหมคะว่าลูกค้าต้องการอะไรในส่วนไหนอะไรยังไงในการพัฒนาผลิตภัณฑ์แต่ละชิ้นนะคะก็ด้วยที่เราไปขายแล้วลูกค้าก็ถามว่าประโยชน์ได้อะไรคือเราต้องทําไมเราต้องกินผลิตภัณฑ์ของคุณเพื่ออะไร นั่นนั่นก็คือโจทย์ที่เราต้องทำแต่พือพอเรากินแล้วน้ำมาดันเนี่ยมันรู้สึกทำให้ชุ่มคอขับเสมหะลดอาการไอได้ด้วยความฝาดแล้วก็ความเปรี้ยวของเขาค่ะค่ะมันก็เลย<อ>ช่วยให้อาการไออะ่ะลดแบบทานไปดื่มไปสักชั่วโมงสองชั่วโมงก็รู้เอออาการระคายคอที่มีแบบคนที่ใช้เสียงบ่อยๆจิตไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยเออดีกว่าเราจิตยาแก้ไอที่มันเป็นยา ที่แก้การเจ็บคอ<ช>แล้วมาจิบน้ำมาดันเล็กๆมันให้ความชุ่มคอดีจริงๆแล้วเสียงเราก็จะใสอย่างเนี้ยค่ะค่ะก็แสดงว่าเราก็ต้องมีเรื่องของการหาผลการวิจัยในเรื่องของการทานผลไม้แต่ละชนิดที่เรานํามาทําด้วยใช่ไหมคะเพื่อที่ว่าเวลาลูกค้ามีคําถามแล้วก็จะมีคําตอบตรงนี้ให้ก็คือในส่วนตรงนี้ก็คือเอาประสบการณ์ของคนที่อด้วยมันก็จะหาข้อมูลในกุกเพราะว่า การจะทํางานวิจัยมันต้องใช้งบประมาณประมาณเป็นแสนนะค ะ, ะนี่คือเรื่องจริงคุยคุยกับตามมหาลัยสถาบัานต่างๆแล้วไปคุยแล้วที่เขาจะลงมาแต่ตอนเนี้ย อ, อพอดีมาปีนี้ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายกค่ะเห็นดีกับการที่จะผลักดันให้มาดันเป็นผลไม้ประจําจังหวัดนครนายกอีกตัวหนึ่งนอกจากตัวมายองชิดนะคะอืมท่านก็เลยให้มีหน่วยงานลงมาช่วยเริ่มมีมาช่วยในปีนี้แล้วค่ะ อ่ะนะคะก็ตอนนี้ะมีของมสวอ่า อ, อ, อ, อ, องคลักอะคะ่ะมาช่วยวิจัยให้ในปีนี้ค่ะเริ่มนะคะต้องรอดูกันนะเพราะว่าจริงๆถ้าเอาความลึกเลยนะนะคะกำลังอยู่ในช่วงของการวิจัยแต่ว่าถ้าดูในเรื่รองของการทานและผลที่เห็นอย่างได้ชัดก็คือพอทานปุ๊นเนี่ยเสียงดีขึ้นรู้สึกว่าไม่มระคายคอนะคะไม่ระคายค่ ะ, คะปัจจุบันนี้ค่ะกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเองเรามีสมาชิกทั้งหมดกี่คนแล้วคะ คือสมาชิกเรามีทั้งหมดเหอตอนนี้สามสิบสามรายสสิบ <33. S 2> แต่จะมีคนที่มาอยู่ในกระบวนการแปลรูปมีประมาณเจ็ดรายส่วนอีกอ่าส่วนอีกยี่สิบกว่ารายก็คือเป็นคนปลูกเป็นผู้มีผลผลิตมาขายในกลุ่มก็คือเราต้องมีการระดมหุน้นแล้วก็มีคุยกับสมาชิกในกลุ่มว่าคือคุยกับคนก่อนก่อนที่จะเป็นสมาชิกเราก็บอกหนึ่ง คือคุณส่งผลผลิตให้เราส่วนใหญ่จะเป็นคนส่งผลผลิตก็คือสมาชิกในกลุ่มมาสมัครเป็นสมาชิกในกลุ่ม ค, ค่ะเพื่อจะที่ส่งผลผลิตให้เราเ ค, คือผลผลิตของเราที่เรารับกับสมาชิกนี่ก็คือจะคัดเอาลูกใหญ่หน่อยแล้วเราก็เพิ่มให้เขาอย่างสมมติว่าขายท้องตลาดเนี่ยเขาขายประมาณโลละสิบห้าแล้วก็ให้เขาสิบกิอืจค่ะคือถ้าให้เรานิดนึงเพราะถ้าลูกเล็กเลยเนี่ยออรสชาติมันก็ไม่ได้เพราะเราเอามาแปรรูปแล้วก็ เพื่อจะได้เอ่อคลี้เรื่องไรแล้ววัตถุ ด, ดิบของเราเราก็ต้องคัดสรรสิ่งที่ดีให้กับชต้องคัดคุณภาพให้กับผู้บริโภคแล้วก็ของเราก็จะไม่ใส่วัตถุกันเสียไม่ใส่สารแขวนลอยก็จะมีตะกรนนิดนึงก็จะคุยกับลูกค้าว่าของเราจะเน้นไปลักษณะว่าเอ่อไม่ไ ม, ไม่ไม่ใส่สาร วัตถุกันเสียนะคะอืมนะคะนี่คือต้องเรียกว่าเป็นจุดเด่นของทางกลุ่มกับผลิตภัณฑ์ทั้งหมดที่เรา<ช>ไม่ใส่วัตถุกันเสียคือเรามาจากธรรมชาติ<ช>โดยตรงแล้วเวลาเรารับออเดอร์อย่างเงี้ยนะคะที่ลูกค้าสั่งไปก็คือเราต้องทําตามออเดอร์ไหมคะหรือว่า อ, อทําไว้ก่อนไปวางขายตามที่ต่างๆหรือว่าต้องรอลูกค้ามีออเดอร์เข้ามาไม่ค่ะก็คือช่วงเนี้ยมาดันเพิ่งจะออกดอกกําลังมีลูกก็จะประมาณสองเดือนสองเดือนที่จะไม่มีอ่าไม่มีวัตถุดิบ ผลสดเราก็ทําอบแห้งขายได้ในส่วนส่วนตรงนี้เราก็เราก็จะทําเป็นน้ํามะดันสกัดเข้มข้นเพื่อมาทําเป็นน้ําพึ่งผสมมะดันในระหว่างสองเดือนตรงเนี้ยขายได้แต่ถ้าเป็นน้ํามะดันสดที่ที่ที่ดื่มแล้วแบบอรสชาติจ๊จ๊าดแล้วก็แบบชุ่มคอเลยในในส่วนตรงของตัวมะดันน้ํามะดันสดหรือน้ํามะดันซาที่ผสมโซดาเนี่ยค่ะก็จะต้องรอให้มีผลผลิตจากส่วนตรงนี้เราก็ขายเป็นมะดันอบแห้งแล้วก็ อน้ำมะดันผสมน้ำพึง่งก็จะเป็นอีกรสชาติหนึง่งก็คือคือกลิ่นน้ำพึ่งเขาจะชูแล้วมีความเปรี้ยวนิดนิดฝาดหน่อยของมะดานันอันนี้อยู่ที่ความชอบของลูกค้าด้วยอืแต่ส่วนใหญ่ลูกค้าจะชอบดื่มสดจะได้ความสดชื่นและจะได้กลิ่นของมะดันด้วยเพราะของเราจะไม่ใส่ไม่จะใช้สีธรรมชาติไม่ใช้สิ่งเคมีผสมเพราะด้วยด้วยตัวมะดันพอเก็บดวยนานหน่อยสีเ้าก็จะจบรงอะค่ะอืมนะคะก็ เรื่องนี้เราก็ต้องมีเรื่องของการชี้แจงลูกค้าว่าสีนี่คือสีธรรมชาติจริงๆนะคะซึ่งใช่ค่ะต้องแน่นอนว่าต้องมีลูกค้าประจำใช่ไหมคะที่สั่งสินค้าเราประจำกมีบ้างอะค่ะค่ะเพราะว่ามันมีปัญหาเรื่องการขนส่งแต่ตอนนี้เราก็จะเปิดเปิดขายที่ลูกค้ามาหาเราได้เพราะว่าอของเราเนี่ยคือเคยเคยเก็บวัตถุดิบไว้แล้วเกิดการเสียหายด้วยด้วยเรายังไม่ไม่ ไม่ชํานาญเรื่องเพราะด้วยผลของมาดานเวลาเราเก็บค่ะลงมาเนี่ยผิวเขาจะช้าง่ายอะค่ะการดูแลก็จะยากตั้งแต่วัตถุดิบแล้วที่เราจะต้องดูแลตั้งแต่ตรงนั้นพเถ้าเกิดว่ามันมันช้ำปุ๊บเนี่ยเป็นส่วนประกอบปุ๊บรสชาติมันก็จะจะเปลี่ยนด้วยใช่ไหมคะจะใช่ค่ะมันจะเกิดกลิ่นโอมันมันมันจะไม่ได้เลยใช่ค่ะแล้วก็คือจะระวังในส่วนนี้ ค่ะในช่วงที่อย่างช่วงที่เราบอกว่ามันจะมีช่วงที่มะดันกําลังออกดอกออกผลนะคะเรามีผลิตภัณฑ์อื่นๆไหมคะที่จะมาขายทดแทนในการขายมะดันแปลรูปอะคะ่ะช่วงนี้เราก็ที่ตาบลใกล้เคียงก็ที่ดงละคอนะคะจะมีขนุนเยอะเราก็ไปรับขนุนที่ดงละครมาแปลรูปเป็นขนุนอบแห้งค่ะแล้วก็จะคืออย่างอย่างอย่างตัวอน้ําตัวมะดันตัว น้ำจิ้มมาดันซีฟู้ดเนี่ยเราก็จะสามารถอ่าปั่นแล้วก็ฟีดไว้คือปั่นแล้วก็ดึงน้ําออกแล้วก็เหลือเหลือตัวตัวเนื้อมาดันเนี่ยไว้ฟีดไว้ทําเป็นน้ําจิ้มมาดันซีฟู้ดนี่ได้ค่ะช่วงนี้ก็จะมีน้ําจิ้มมาดันซีฟู้ดค่ะอ๋อมีน้ําจิ้มมาดันซีฟู้ดด้วยก็คือคไม่ไม่ได้เป็นแบบว่าผลสดแต่เป็นเรื่องของการแปรรูปอีกทีหนึงใช่ไหมค ะ, ม ใ, ชคะใช่ค่ะใช่ค่ะคือเราเก็บวัตถุดิบ ได้ก็คือเขาก็จะมีความความเขียวระดับนึงแต่พอเรามาผ่านกระบวนการแปรรูปให้ความร้อนสีเขาก็จะดอกลงก็คือเป็นเป็นธรรมชาติของของกระบวนการที่โดนความร้อนนะคะอืมนะคะตัวนี้ตอนที่เราเราจะได้ยินในส่วนตรงวัตถุดิบเสริมอย่างอื่นอย่างไหรถึงว่าผักชีมาช่วยให้สีเขาสดขึ้น ม, มาอีกนิดหนึ่งะคะ่ะผักชีนี้จะไม่มีผลในเรื่องของกลิ่นหรือว่าอะไรใช่ไหมคะไม่อ่ะค่ะเขาก็จะมีเป็นกลิ่นของ ของของซีฟู้ดนะคะคือซีฟู้ดจะต้องใส่รากผักชีแล้วก็ใบผักชีด้วยอ่านะคะก็ก็จะหอมผักชีแต่เราจะได้ความเปรี้ยวของมะดันอืมนะคะเออต้องหน้าชิมนั่นแหละแต่ท่านฟังอยู่อาจจะแบบอุ๊ยมันมะดันน่ยมีความเปรี้ยวอยู่แล้วแต่ว่าถ้ามันเป็นซีฟู้ดเนี่ยมันรดาจะนึกภาพไม่ออกว่าเอ๊ะมันเป็นยังไงนะคะแต่ว่าในเรื่องของการตลาดเองล่ะคะของทางกลุ่มเองเนี่ยหลกัหลกๆแล้วเนี่ยเรามีการวางสินค้าหรือว่าผลิตภัณฑ์ยังไงบ้างอะคะ ส่วนใหญ่ก็จะไปออกตามตามงานต่างๆที่หน่วยงานจัดให้ก็ไปขายที่ปราจีนไปขายระยองก็คือด้วยเพราะว่าในตมในในในจังหวัดนครนายกเราเนี่ย ค, คือทุกหลังคาเรือนก็มีมาดันก็ส่วนใหญ่เขาก็ามาราต้องจับกล<ป>ุ่มพื้นที่ อ, อ, อื่นได้เราเลยต้องนำสินค้าของเราไปขายที่จังหวัดอื่น อืมเพื่ออ่าเพื่อนึงดูดคนในต่างถิ่นนะคะที่อาจจะไม่ได้คเคยลิ้มลองรสชาติของมะดันนะคะส่วนใหญ่แล้วลูกค้าที่สนับสนุนหรือว่าซื้อสินค้าของเรามีาาการจัดอันดับไหมคะว่าผลิตภัณฑ์ตัวไหนที่ขายดีที่สุดของกลุ่มอะคะ่ะก็จะมีเป็นน้ำมะดันซ่าขายดีที่สุดน้ำมะดันซ่าค่ะคือน้ำมะดันผสมโซดาอแต่เราจะเรียกว่าน้ำมะดันซ่าก็คือดื่มแล้วมันซ่าชุ่มคอก็ได้ถือรสชาตินึงค่ะ ขายอยู่ที่ราคาประมาณเท่าไหร่คะนะตอนนี้ค่ะวนละยี่สิบาทสองร้อยห้าสิบมิลลิลิตรนะคะก็ถือว่าไม่แพงนะคะไม่แพงะะอะ <c oughs> ค่ะยี่สิบบาทค่ะแล้วในเรื่องของการคิดค้นแพคเกจจิ้งอะไรต่างๆนะตอนนี้เองเนี่ยเราเรามีแปลนมีแผนในเรื่องของการพัฒนาเพิ่มเติมตรงนี้ไหมคะก็ตอนนี้ก็ได้รับสนับสนุนจากพอชจอจังหวัดนครนายกค่ะพอชอนะคะช่วยพัฒนา พัฒนาชุมชนจังหวัดนครนายกช่วยด้านแพคเกจจิ้งอของตัวน้ำมะดันเนี่ยค่ะค่ะและในส่วนของหน่วยงานอื่นๆล่ะคะมีเพิ่มเติมไหมะคะอย่างเช่นในหน่วยงานวิชาการหรือว่าหน่วยงานภาครัฐหรือว่ามหาวิทยลาลัยต่างๆอะคะ่ะก็ไปเรียนรู้การแปลรูปจากมอสอวรประศัอขององคลักค่ะแล้วตอนนี้ก็มีของมอสอวรประสานมิตรออกแบบแพคเกจจิ้ง คือเปลี่ยนรูปลักษ์แพ็กเกจจิ้งใหม่ของมะดันแช่อิ่มอบแห้งที่เราได้สี่ดาวแล้วก็จะเตรียมไว้ว่าเปลี่ยนโฉมใหม่เพื่อจะคัดสรรปีถัดไปเพราะว่าปีนี้นำขนุนกับมะดันลอยแก้วเข้าคัดสรรดาวอยู่รอผลนะคะอ่ารอผลแต่มะดันลอยแก้วก็น่าสนใจนะคะน่าจะออกหวานๆเปรียปร้ยวๆไหมคะถ้าเกิดรสชาติจริงๆรชานค่ะหาวานๆเปรียปร้ยวค่ะนะคะเย็นด้วยแล้วก็ชุ่มคอได้ด้วย ใช่ค่ะค่ะแล้วมองในมุมของการคิดค้นอื่นๆล่ะคะผลิตภัณฑ์อื่นๆของเราเราอยากจะพัฒนาส่วนไหนเพิ่มเติมอีกไหมคะคืออยากพัฒนาตัวไหนเพิ่มเติมจริงๆอยากจะทําเป็นเยลลี่มาดันนะคะเยลลี่มาดันใช่ค่ะค่ะก็คืออยากจะคิดค้นผลิตภัณฑ์ที่มาจากประดันที่ไปในรูปแบบอื่นๆอือค่ะ เพราะตอนนี้มันก็มีมีกลุ่มอื่นที่ทําผลิตภัณฑ์คล้ายๆกันกับเรารู้ด้วยเราเป็นกลุ่มแรกที่ทําเราก็เลยอยากจะพัฒนาตัวเองขึ้นไปเพราะตอนนี้ก็มีนะ้ํามาดันที่ที่ที่กลุ่มเพราะว่ามาดันที่ตำบลอ่าทรายนี่คืเยอะมากเยอะเป็นอันดับหนึ่งเลยก็ว่าได้ <ขอ S 1> ก็เลยมีหลายกลุ่มประเทศไทยก็เลยมีหลายกลุ่มเราที่ ท, ที่ตั้งขึ้นมาตามหลังแล้วก็ผลิตเหมือนกันขายเหมือนกันแต่รสชาติคนละอย่าเราก็เลยว่า อยากจะทำใหม่เพราะตอนนี้เรามีอาของสำนัก ง, งานส่งเสริมอุตสาหกรรม<ะ>มาสนับสนุนเครื่องอเครื่องปิดฝาตัวเยลลี่เนี่ยค่ ะ, ะแต่พอดีเรายังไม่ไปดูแพคเกจจิ้งแล้วคือตัวตัวถ้วยที่จะใส่เยลลี่เนี่ยค่ะเขา ยอดสูงมากต้องสั่งทีแสนใบเราก็เลยอเอาวางไว้ก่อนคือเราจะลองทดลองระบบทดลองแพ็กเกจจิ่งก่อนแต่ว่าโอโ้โหมันเป็นแสนใบนี่ก็ถือว่าเ<ต>ยาอะนะคะต้องสั่งทีเป็นแสนมันไม่ไหวอะค่ะใช่เพราะว่าบางทีไม่แน่ใจเหมือนกันว่าทําทำมาแล้วเนี่ยรสชาติหรือว่ามันการทำแพ็กเกจจิ่งมันจะโอเคหรือเปล่าด้วยอื่คก็อาจจะเป็นใ น, ในระยะต่อไปที่ที่อาจจะมีในอีกหลายหน่วยงานนะะซึ่งจะเข้ามาในการพัฒนาตรงนี้นะคะค่ะค่ะแล้วในส่วนของ เรื่องของการอ่าถือหุ้นต่างๆล่ะคะในกลุ่มอย่างที่บอกเมื่อสักครู่ น, นี้ว่าเรามีกลุ่มถึงสามสิบสามท่านแล้วก็มีการสมัครเข้าสู่สมาชิกด้วยใช่ไหมคะอันนี้เรามีการรวมลงขันในกลุ่มไหมคะแล้วก็หรือว่า ม, มีการถือหุ้นไหมคะหุ้นละสองร้อยบาทต่อนหนึ่งหุ้นออืก็ลงอย่างต่ำหนึ่งหุ้นมากสุดก็ไม่เกินร้อยหุ้นค่ะแล้วบ้านระดมทุทั้งหมดเป็นเงิน เป็นหุ้นทั้งหมด455หุ้นนะค่ะอืม455หุ้นโอ้ก็ก็ถือ<า>ว่าค่อนข้างเยอะเป็นเงินอยู่ 90,000 กว่าบาทจะด้วยเราเริ่มต้นเราไม่มีอะไรเลยอืมแล้วก็ต้องมาสร้างมาปรับปรุงโรงเรือนมาสร้างโรงเรือนมาซื้อของซื้อหม้อซื้ออุปกรณ์แปรรูปคือทุกอย่าง ที่เราจะได้อยก็คือทุกอย่างเราต้องเป็นสเตนเลสแต่เพื่ออินตอนแรกที่เราทํากันเนี่ยมันเป็นอลูมิเนียม เ, เสร็จแล้วทางสาธารณสุขไม่อนุญาตพอเราได้เราได้ไ ด, ได้ได้ลงได้ลงผลิตเสร็จเราก็ต้องซื้อเป็นหม้อสเตนเลสทุกอย่างต้องเป็นสแตนเลสทั้งหมดเพื่อความปลอดภยัยเพื่อความปลอดภัยของผู้บริโภคค่ะแต่ก็มันสเตนเลสสุด ม, มากก็ะจะไปอยู่ใน อุปกรณ์ซะส่วนใหญ่อยู่ที่การลงทุนซะเป็นส่วนใหญ่แทนที่จะเป็นต่ใอในเรื่องของวัตถุดิบนะคะก็จะเป็นอุปกรณ์<ช>ที่ที่ทั้งโรงเรือนด้วยแล้วก็มีอุปกรณ์อบพลังงานในต่างหากใช่ไหมคะแต่อบพลังงานมีทางสํานักงานพลังงานให้ฟรีค่ะอา่านะแต่อาจจะต้องมีเรื่องของการ รักษานะ <c oughs> อาจจะมีในส่วนการดูแลรักษาก แ, ลแล้วก็รักษาค่ะก็คืออย่างอย่างอย่างตัวตะแกงศึกเราก็ไปเปลี่ยนใหม่ทำใหม่อย่างตรงไหนไม่ดีเราก็ปรับปรุงซ่อมแซมก็ก็คือก็ต้องใช้ใช้ทุนค่ะยันในปัจจุบันนี้ค่ะคุณกัญญาลักษ์ เรามีเรื่องของ<ช>อุปสรรคไหมคะเพราะว่าในณยุคนี้เนี่ยต้องยอมรับว่ามันเป็นยุคที่เศรษฐกิจค่อนข้างจะเิดเครืองนะคะหรือว่าบางทีเนี่ย<ช>ข้าวปลาอาหารมันก็แพงขึ้นมีอุปสรรคเกิดขึ้นกับทางกลุ่มบ้างไหมคะมีในส่วนไหนบ้างคะเกิดมากเลยค่ะก็ถึงต้องพัฒนาสินค้าให้หลากหลายไงคะให้โดนใจผู้บริโภคจตคันว่าเคยเคยคิดว่าจะแตกคือมีครั้งหนึ่งที่เราจะจะแตกลายปลูก ข้าวโพด <Kah> ข้าวโพดขระวโพด yes สีม่วงอะค่ะค่ะเพื่อเพื่อจะมาผลิตเป็นน้ำข้าวโพดเป็นแยงข้าวโพดเพราะตรงนี้ลูกค่ะคือเราเราไม่ต้องทําการตลาดด้วยความเป็นมาดันเนี่ยทาการตลาดเหนื่อยมากค่ะแต่เสร็จแล้วพอดีน้ํามาท่วมคือได้พื้นที่จังหวัดนครที่ท่าสายเราเนี่ยปลูกอะไรหน่อยเดียวพอถึงหน้าฝนเนี่ยน้ํามาท่วมแล้วแต่มีว่ามาดันอย่างเดียวน้ําท่วมเขาก็รอดน้ํำแรงไม่มีน้ําเขาก็อยู่ได้มันก็เลย ตอนนี้ผลผลิตเราไม่มีปัญหาแต่เรามีปัญหาเรื่องเรื่องเศรษฐกิจตอนนี้คือเวลาเรานำสินค้าเอาจำหน่ายบางทีเราคิดว่าจะต้องได้เท่านี้บางทีก็ไม่ได้อย่างที่เราคิดด้วยด้วยมาดันขายตัวเองไม่ได้ขถามว่าถ้าคนจะซื้อผลิตภัณฑ์มาดันในส่วนตัวที่เขาไม่ไอายไม่เก็บคอเขาก็จะไม่ซื้อค่ะเขาก็จะไมีซื้อประเภท อาหารการกินอาหารหมายถึงว่าพวกที่ตามเราไปขายก็จะเป็นน้ำพริกแล้วก็ทําน้ำพริกมาดันด้วยนะคะแต่มันก็ก็ด้วยความที่มันเป็นมาดันใช่มไหมใช่เขาด้วยความเป็นมาดันนลูกค้าก็ไม่ค่อยจะเพรเชื่อว่าหลายท่านอาจจะนลือกภาพแล้วโอ้ยพอเป็นมาดันเนี่ยมันจะต้องมีความแบบมันจะต้องเปรี้ยวหรือบางทีมันจะมีความฝาดจะนึกนึภาพนั้นซึ่งอาจจะไม่ได้ลองชิมมาก่อนแต่มันอร่อยใช่ไหมคะ ค่ะ <S <S <S <S ก็ถือว่าเป็นข้อจํากัดหนึ่งของเราที่ <S 2> <S 2> <S ท, ท, ที่อาจจะต้องมีเรื่องของการประชาสัมพันธ์เพิ่มเติมไหมคะว่าเป็นยังไง <S 2> <S 2> <ๆ>อะไรอย่างนี้แต่ตอนนี้เราโชคดีที่มีมหาลัยกําลังจะมาทําวิจัยให้เราแล้วก็ถามว่านี่มีสิ่งที่ตัวมาดันเราจะดึงยังไงเพราะว่าคุณสมบัติ ข, ของมาดันนี่เขาก็เยอะถ้าเรารู้จักกันมาใช้แต่ด้วยความที่เราไม่มีไม่มีวิชาเรื่องวิชาการก็ต้องยกหน้าที่ให้กับสถาบันการศึกษาเข้าทําวิจัยให้ ค่ะแล้วอย่างการตลาดล่คะคะเรามีเราอยากจะมีเรื่องของการพัฒนาไหมหน่วยงานต่างๆได้เข้ามาในเรื่องของการขายเดี๋ยวนช่องทางออนไลน์กาลังมาะคะ่ะคือถามว่าช่องทางออนไลน์ที่มาเนี่ยด้วยความที่เราไปสัมผัสแล้วเราต้องทำสินค้าร้อให้มันโดดเด่นจริงๆเราถึงจะไปลงวางขายนะตรงนั้นได้พอบอกว่าเมื่อดันแค่อิ่มอบแห้งขึ้นเว็บมีลูกค้าแต่ส่วนมากลูกค้าได้ชิมแล้วก็จะโทร โทรศัพทมาสั่งซื้อแ ล, แล้วก็ส่งเคอรี่ไปค่ะก็คือมันก็มีแต่ก็มันก็มีคนชอบเฉพาะกลุ่มก็ไม่ได้ทั่วไปเพราะว่าเราไม่ได้ทำการตลาดไปไปไปทั่วทั่วประเทศอย่างนี้ค่ะเราเรียกว่าต้องจะต้องมีการโฆษณาประชาสัมพันธ์ให้รู้จักว่าอ๋อมาดันมีประโยชน์อย่างนี้นะคุณสมบัติอย่างนี้นะแล้วก็มีสินค้าให้เขาได้ทดลองซื้อชิมเขาก็ถึงว่าจะได้อ๋อ ทานแล้วมันดีอย่างนี้โน่นนี่นัน่นอะไรอย่างเงี้ย <c oughs> มันก็ถึงว่าเรียกว่าเราจะต้องทําการประชาสัมพันธ์ก่อนเบื้องต้นแล้วก็มาทําแพคเกจิ้งที่สวยงามเพราะตอนนี้ในในในในในส่วนของเราก็แพคเกจิ้งมันก็คือถามว่าเป็นกล่องเป็นกล่องพอเราไปจ้างคือทุกอย่างมีต้นทุนหมดนะคะแล้วก็ <c oughs> ด้วย <c oughs> ผลกําไรด้วยการทำดนันยังไม่เป็นที่ <c oughs> ออเรรจ้งตบััยยังไม่เป็นที่ ยังไม่รู้จักกันมากเท่าที่ควรคก็ได้ระดับหนึ่งแต่จะนี้ทุกอย่างเราก็ต้องลงทุนไปเรื่อยอ ม, มันก็เลยเนีย่ยอยู่เหมือนกันอืทนเหนือน่อนิดนึงเพราะฉะนั้นวันนี้ในพื้นที่ตรงนี้ที่คุณกัญญาลักษยกับเราอยู่และเราออกอากาศ fm 8ป5ส h บเก้าุดห้าเกฮนะคะอยากให้คุณกัญญาลักษ์แนะนำกันก่อนผลิตภัณฑ์บอกผู้ฟังไปว่าน่าสนใจยังไงและจุดเด่นของสากิจเราอยู่ที่ตรงไหนคะ่ะค่ะ ก็ผลิตภัณฑ์ของเราเนี่ยก็คือว่าด้วยคุณสมบัติของมะดันเนี่ยเขามีวิตามินซีมีแคลเซียมมีฟอสฟอรัสสูงเหมือนกันนะคะลองลองลองเซิร์ชดูในข้อมูลดูก็ได้แล้วก็ด้วยคือถ้าเราเขาสามารถเป็นยาระบายอ่อนๆแต่ไม่ใช่ว่าดื่มปุ๊บทานปุ๊บแล้วจะท้องเสียไม่ใช่ค่ะก็คือเขามีระยะเวลาการไปดีท็อกลําไส้เราพอพรุ่งนี้เช้าก็จะถ่ายคล่อง สบายตัวอย่างนี้ค่ะส่วนถ้าเวลาเราทานหรือดื่มเข้าไปเขาก็จะทำให้ชุ่มคอก็จะมีความรู้สึกเลยพอทานปุ๊บจะรู้สึกได้เลยว่ามันจะชุ่มคอจริงๆะคะ่ะแล้วตอนนี้เราก็พัฒนามาเป็นแยมบดันก็สามารถทากับขนมปังทานได้ตอนเช้าแล้วก็ด้วยกลุ่มของเราที่ก่อตั้งมาเนี่ยเราก็อยากเป็นกลุ่มที่ว่าสามารถแปรรูปแล้วก็นาสินค้าจาหน่ายให้กับ บุคคลทั่วไปที่มาสนับสนุนกลุ่มแล้วทําให้ชาวบ้านเนี่ยมีไรายได้เสริมกว่าที่การทํานาค่ะค่ะส่วนในช่องทางล่ะคะช่องทางในการติดต่อทางกลุ่มในการสอบถามเพิ่มเติมเรื่องของสินค้าต่างๆสานักสอบถามในทางช่องทางไหนได้บ้างคะก็จะมีทางไลน์กับทางทางเบอร์โทรศัพท์เนี่ยคะ่ะทางเพจพอดีเพิ่งจะเริ่มทําแล้วเรายัางยังยังยังไม่เก่งเพราะว่า อ่าด้วยตัวเองไม่ไ ด, ไได้ไม่ได้เก่งเรื่องทางทําเครื่รงอะไรกันไม่เป็นไ ร, รน ะ, ะคโนโะช่วงนี้ไม่ค่อยเก่งอ่าช่วงนี้ยังยังเป็นช่วงของการพัฒนาอยู่เล็กน้อยแต่ไม่เป็นไร<ต>ค่ะช่องทางไลน์ก็ได้นะช่องทางไลน์นี่มีไลน์แอดไหมคะหรือว่าสามารถแอดผ่านทางเบอร์โทรศัพท์ได้เลยค่ะก็จะเป็นจะเป็นไอด์ไลค่ะเป็นตัว j ตัวเล็กนะ ค, ะค่ะแล้วก็ขีดกลางค่ะ j u ตัว u ตัวเล็กขีดกลางแล้วก็ ตัว N ขีดกลางตัว E ขีดกลางแล้วก็ตัว Y ค่ะเป็นจูนี่อะค่ะเพะ่าเป็นชื่อเล่นชื่อจูนนะค ะ, ะคุณจูนนะคะจูนขีด U ขีด N นขีด E ขีด Y น ะ, ะเป็น ID เดียลที่สามารถคุยกันได้หรือว่าคุยทางเบอร์โทรศัพท์ก็ได้นะคะที่0ู8ย์7 1ด3 1สองห้าเ็ดหนึ่งสี่สามหนึ่งเบอร์นี้นะะกับใครที่สนใจอย่างที่บอกคือตอนนี้ที่น่าสนใจนะคะก็คือมาดันลอยแก้วใช่ไหมคะ น่าสนใจมากแต่ต้องไปลองชิมว่าเป็นยังไงนะคะวันนี้ค่ะต้อ ง, งได้ค่ะขออีกนิดนึงค่ะได้ค่ะจะมีถ้าสนใอผู้ฟังสนใจก็จะมีวันที่สิบแปดสิบเก้ายี่สิบจะมีการเปิดเปิดบูธ ท, ที่แยกสามสาวอะคะ่ะตรงหน้าขนส่งจังหวัดนครนายกอะค่ะที่ที่เขา ท, ทาต่อต่อทะเบียนรถนะคะที่แยกสามสาวนะค ะ, คะจะเปิดมีสินค้าไปจําหน่ายตรงนั้นสิบแปดสิบเก้ายี่สิบนะคะเวลา แปดโมงเช้าถึงสามโมงเย็นค่ะ แปดโมงเช้าถึง3ามงเย็นไปเจอกันได้ที่แยก 3-3 ที่ขนส่งจังหวัดนคร น, นายกนะใครผ่านไปตรงจุดนั้นไปลองชิมกันนะคะกับวิสาหกิจชุมชนแปรรูปผลไม้ตำบลท่าทรายนะคะจุดเด่นของเขาเลยก็คือมาดันแน่นอนนะคะวันนี้ต้องข อ, ขอบคุณนะคะคุณกัญยลักษณ์พันธุอุดมประธานวิสาหกิจชุมชนกลุ่มแปรรูปผลไม้ตำบลท่าสายอําเภอเมืองจังหวัดนคร น, นายกเที่เกียรติในการพูดคุยแล้วก็แนะนําเรื่องราวของวิสาหกิจชุมชนด้วยนะคะขอบพระคุณมากมากเลยค่ะคุณกัญยลักษณ์ค่ะ ขอบคุณเช่นกันค่ะสวัสดีค่ะยังมีครั้งหนึ่งนะคะใครที่ผ่านไปในจังหวัดนครนายกในช่วง18ถึง20นะคะเจอการที่แยก33สาขนส่งนครนายกนะคะที่วิสากิจมชนกลุ่มแปรูปผลมตะตมลท่าสายก็จะไปเปิดบูทธที่นั่นเช่นเดียวกันไปลองชิมกันดูนะคะหลายผลิตภัณฑ์ของมาดันซึ่งหลายคนน่าจะรู้อยู่แล้วว่ามาดันเนี่ยเขามีสรรพคุณนะคะแต่ว่าบางทีเนี่ยกินแบบ เปล่าๆเลยเนี่ยมันก็ค่อนข้างจะยากใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยไปลองกินแบบแปรรูปกันดูเนี่ยโอ้อร่อยแน่นอนโดยเฉพาะน้ำมะดันนะคะวันนี้เรื่องราวของเราตลาดนัดชุมชนหมดเวลาลงแล้วค่ะติดตามรับฟังกันได้ใหม่ในครั้งหน้าส่วนตอนนี้ลากัไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีร่วมส่งเสริมและพัฒนากิจการวิสาหกิจชุมชนหลักดันนโยบายเศรษฐกิจดิจิทัลสู่ไท a แลนด์ 4.0